ธรรมบทแปลเรื่องที่หนึ่งอเรื่องพระสัมมัชนะเถีระข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพพระสัมมาชนะเถีระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยจปุปเปปะมัชิตวาเป็นต้นตอน ผู้ไม่ประมาทย่อมยังโลกให้สว่างได้ยินว่าพระเถระนั้นไม่ทำเวลาให้เป็นประมาณว่าเช้าหรือเย็นย่อมเที่ยวกวาดอยู่เนืองๆวันหนึ่งพระเถระนั้นถือไม้กวาดไปสู่สำนักของพระเรวตเรัตเถระผู้นั่งในที่พักกลางวันแล้วกล่าวว่าพระเถระนี้ เป็นผู้เกียิคร้านมากบริโภคของที่ชนถวายด้วยศรัทธาแล้วมานั่งอยู่การที่พระเถระนั่นถือเอาไม้กวาดแล้วกวาดที่แห่งหนึ่งจะไม่ควรหรือพระเถราระคิดว่าเราจะให้โอวาทแก่เธอดังนี้แล้วจึงกล่าวว่ามานี่แน่คุณพระสัมมาจารย์เถรอะไรขอรับ พระเรวตตเถียระท่านจงไปอาบน้ำแล้วจงมาพระสมมัชนะเถียรนั้นได้ทำอย่างนั้นแล้วลำดับนั้นพระเถียรให้เธอนั่งนาส่วนสุดข้างหนึ่งแล้วเมื่อจะกล่าวสอนจึงกล่าวว่าคุณธรรมดาภิกษุเที่ยวกวาดอยู่ตลอดทุกเวลาไม่ควร ก็การที่ภิกษุกวาดแต่เช้าตรู่แล้วเที่ยวบินธบัดกลับมาจากบินทบัตแล้วมานั่งในที่พักกลางคืนหรือในที่พักกลางวันสาธยายอาการ32เริ่มตั้งความสิ้นความเสื่อมเนื้ตภาพแล้วลุกขึ้นกวาดในเวลาเย็นจึงควรอันภิกษุไม่กวาดตลอดการเป็นนิดแล้วพึงทำโอกาส ชื่อแม้แก่ตนพระสัมมาชนะเถียระนั้นตั้งอยู่ในโอวาทของพระเถียระแล้วไม่นานเท่าไหร่ก็บรรลุพระอรหันต์ทีนั้นทีนั้นได้รกรุงรังแล้วลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายกล่าวกับพระสัมมาชนะเทียระนั้นว่าสัมมาชนะเถียระผู้มีอายุที่นั้นที่นั้นรกรุงรัง เพราะเหตุไรท่านจึงไม่กวาดพระสั ม, มนชนะเทระท่านผู้เจริญกระผมทำแล้วอย่างนั้นในเวลาประมาทบัดนี้กระผมเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วภิกษุทั้งหลายกราบทูลแด่พระศาสดาว่าพระเทระนี้พยากรนอรหัตผลพระศาสดาตรัสว่า อย่างนั้นภิกษุทั้งหลายบุตรของเราเที่ยวกวาดอยู่ในเวลาประมาทในก่อนแต่บัดนี้บุตรของเรายับยั้งอยู่ด้วยความสุขซึ่งเกิดแต่มรรคผลจึงไม่กวาดดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าโยจะปบบุเบปมาจิตตวาปัชชาโซนับปรมมัชติโซมังโลกังปพาเซติ อภามุตโตวจันทิมากูผู้ใดประมาทในก่อนภายหลังไม่ประมาทผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างได้เหมือนดวงจันทร์พ้นแล้วจากหมอกฉะนั้นบัณฑิตพึงทราบเนื้อความแห่งพระคาถานั้นว่าบุคคลใดประมาทแล้วในก่อนด้วยการทำวัดและวัดตอบหรือด้วยการสาธยายเป็นต้น ภายหลังยับยั้งอยู่ด้วยสุขซึ่งเกิดแต่มรรคผลชื่อว่าย่อมไม่ประมาทบุคคลนั้นย่อมยังโลกมีขันเป็นต้นนี้ให้สว่างคือย่อมทำให้แสงสว่างเป็นอันเดียวกันด้วยมัรคยานเหมือนดวงจันทร์พ้นแล้วจากหมอกเป็นต้นยังโอกาสโลกให้ว่างอยู่ฉะนั้นในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระสัมมชนะเทียระ